การที่สมัยนี้เรายังมีคําสอนของที่มีบทพิัญชนะที่ถูกต้องอยู่ท่านผู้ฟังอันนี้ต่างๆเหล่านั้นบางทีอาจจะถูก เราควรจะยินดีนะเราควรจะต้องเอ่อไม่ประมาทเอาความที่เกิดเราเราเรา 24 ชั่วโมงทั้ง เรื่องราวต่างๆที่เราต้องการพูดกับพูดไปแต่เรื่องราวทั้งหมดนั้นเนี่ยมีประโยชน์ก็มีไม่มีประโยชน์ นะมีความสามารถที่มาเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้มีคําสอนเหมือนหรือไม่ได้เพื่อที่จะ คุณเห็นไหมว่าฉันวิเศษอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าสั่งสอนนั้นเพื่อที่จะดับความทุกข์ละคลายความทุกข์ใน ก็เรียกว่าทําไอ้เจ้าคําสอนที่เราใช้ให้เกิดประโยชน์เนี่ยมันต่อต่อเนื่องไปบุญ 1 ใน 4 เท่านั้นเอง เอ่อไหนๆพูดแล้วก็พูดให้ๆมันก็ไม่เหมือนกัน ในที่นี้จะเป็นภาษาไทยก็ได้ภาษาบาลี นะแล้วก็จะทําให้เราสามารถที่จะ บอกง่ายสอนง่ายบอกง่ายสอนง่ายรับฟังคําตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่น มีการปรับปรุงตัวใครบอกใครสอนคนนึงก็เป็นคนที่ชี้กลุ่มทรัพย์ให้เราแล้วแล้วเราให้ตัวเราเนี่ยเป็นผู้ บางทีมันก็จี๊ดนะคนที่จะมารับฟีดแบคคน ทำได้ก็อย่างที่คุณยังมีลาภปัจจัย 4 นะจากคนนั้นอย่างสมบูรณ์โหนหน้าเราเงี้ยคนที่เค้าให้เป็นคนให้เงินเรามาอย่างเงี้ยให้ผลประโยชน์เรา ยังได้รับปัจจัย 4 จากเขาอยู่ยังได้รับการสนับสนุนจากเขาอยู่นั้นก็เลยแบบ 4 ในสถานการณ์ที่เรียกว่าไม่น่าพอใจมีวาจา สามารถที่จะรับฟังคําตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นมั้ยนะถ้าเป็นอย่างนั้นเออเราเป็นพอที่จะรักษาพระสัทธรรม 2 เหตุก็ 1 อันแรกก็คือการที่รักษาบทเพลงชนะกันมาอย่างดีใช่ 2 ก็คือว่า 3 ก็คือการที่จะ บางก่อนที่พระเจ้าจะไปหาบัญจวัคคีเนี่ยก่อนที่จะไปสอนบัญจวัคคี นะบอกสอนสิ่งที่เป็นมัคคาเป็นแม่บทนั่นแหละเป็นสิ่งที่เป็นพุทธพจน์เป็นสิ่งที่พระเจ้า นะ, นะ, นะ, นะ, นะ, นะ, นะ, 4 นะ อ่ะเข้าใจคําสอนที่เป็นพุทธพจน์ที่แท้จริงต่อบอกสอนเนี่ยก็ต้องเน้นย้ําตรงนี้ ประมาณนี้ก็หมายถึงว่าหรือว่าซัพพลายเออร์หรือคัสโตเมอร์พวกนี้เดี๋ยวเราก็คนไหน 3 แบบท่านผู้ฟังหรือว่า ถึงแม้จะได้ยินคําสอนของพุทธเจ้าเนี่ยเค้าก็ไม่สามารถมาได้ก็คือยังทําดีไม่ได้นะให้ได้เห็นพุทธเจ้าก็เถอะได้ฟัง อันนี้ 3 ก็คือว่าต่อเมื่อได้เห็นพระ 3 อ่า 3 ประเภทนี้ถ้าเราไปครึ่งนึงด้วยนะ บางคนต้องเห็นเท่านั้นถึงจะถึงจะดีอันนี้ต่อให้เห็นก็ไม่ดีต่อให้ได้ 3 นี่ ที่บ่าวว่าแสดงธรรมก็อาศัยคนประเภทนี้นะต้องเห็นพระ ในการที่เราบอกคนประเภทนี้นะพระเจ้าก็บอก เป็นผู้ที่ปฏิบัติด้วยเหมือนกันตัวเราเองต้องปฏิบัติตาม เวลาคุณอื่นก็มาถามแล้วเราจะได้ตอบได้เราจะได้ไม่เก้อเขินและนี้จะเป็นเหตุที่ทําให้พระสัตตัมตั้งอยู่ เราทํามาประสงค์วนัยใจแล้วคุณหนึ่งก็ได้ประโยชน์ด้วยในตรงที่